เอางายอย่าซสีเรียอเรื่องคารมของนักเทศเราวหนึง่งท่านพระครูโวธนาธรรมาจาร เจ้าอาวาสวัดดาวดึงนักเทศเรืองนามท่านรับนิมนต์ไปเทศที่วัดห้วยโรงบางเข็มท่านโดยสารรถไฟไปลงที่สถานีรถไฟเขาย้อยพวกเจ้าภาพนำเรือมาดมารับเวลานั้นเป็นช่วงสายแดดค่อนข้างร้อนคนมารับพูดว่าหลวงพ่อถ้าจะร้อนแย ผมลืมเอาร่มมาท่านพระครูโวธนาธรรมาจาร์พูดพร้อมกับชี้มือว่าแกดูไปที่ถุงโนนสิวัวที่มันอยู่กันเป็นฝูงๆนะ่ะมีใครไปกลางร่มให้มันละ่ะเรื่องก็จบแค่นี้พวกที่มารับท่านต่างก็พากันหัวเราะด้วยความสบายใจ